ออืลูกๆเรียนจบมาก็มาเป็นครูอยู่นี่หมดไม่ไม่หมดครับางบางคน <c oughs> แต่ก็คือคนที่ลัดด้านไหนก็ไปแต่ว่าคนที่มาช่วยทางนี้ก็มีอืแล้วก็มีหลายหลานที่ทนี้เป็นผู้จัดการอืตอนนี้ตอนนี้หลานเป็นผู้จัดการแต่นี่เป็นแตนี่เป็นผู้ช่วยผู้เป็นลูกหานไม่ครัเป็นหลานครับเป็นหลานขที่ชา โอ้มีเรียมด้วยเฮ้ยท่านเป็นด้วยท่านเชี่ยวมากเลยเออใชท่านชั้นมากเลยอดีอันนี้อระที่้คุ้งุ้งสันแยกลค่ะตั้งใจจะทำอเออดีดีต้องมีาไม่มีไม่ได้ข่าวเกิดเด็กที่บางครั้งเด็กที่เขามีปัญหาบ้างเราก็ได้เข้ามาคุยคุยในห้องค่ะเราก็ได้อ้างอ้างพระได้บ้างยกับดับอืม แต่ที่นี่ลำบากเหมเือนตงที่ว่า น, นีศาลาด้วยก็ก็ต้องระวัง<ม><ก>ต้อปรับปรับให้ได้รับความสมดุลนะเป็นอะไรเป็นสโลแกนของโรงเรียนใช่หรือปรับความสมดุลสร้างปัญญาและอะไรนะสร้างอะไรนะสร้างความเป็นอัจฉริยะความเป็นอัจฉริยะเนี่ยเราสร้างได้โดยเฉพาะ ทางรูปธรรมนี้เราสร้างได้มันสมองให้อาหารดีๆนั้นเพื่อบำเุงสมองให้ดีขึ้นแต่อัจฉริยะที่แท้จริงนั้นมาจากจิตที่เป็นบุญใครสร้างปัญหาปัญญาบารมีมากมากมานั่นแหะเป็นอัจฉริยะไม่อยางพระพุทจ้าขอเราเป็นอัจฉริยะนั่นแหละทำไมที่ท่านเกิดมาฉลาดทุกอย่างทุกเรื่องนั่นแหะเป็นอัจฉริยะ ถ้าถ้าเป็นประเภทต้นไม้เขาว่าหนามมันแหลมเองไม่ต้องมีใครไปเหลามันอัจฉริยะแต่มีน้อยเพราคคนมันไม่ใช่หนามมันมีสิ่งคอยผลักดันอยู่ในหัวใจมีเยอะเลือสตันหาอาสวะเนี่ยตัวมันตัวเดียวทั้งหลดแต่ฤทิเดชของมันแผ่กระสานสร้างเต็มเต็มหัวใจของเราโอกาสที่เราจะรู้เท่าทันมันยาก ตัวนี้แหละเป็นตัวเผาไฟเอาไฟเผาโลกของเราให้เราร้อนอยู่เดียวเนี่ยตัวนี้แหละธรรมะของพุทธิจา้าอุบัติมาเพื่อเป็นน้ํามำดับไฟแต่สิ่งเหล่านี้มันมีมากับจิตของเราด้วยกันทุกๆคนเกิดมาและเอามาด้วยเกิดมาและเอามาด้วยแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้เกิดเราก็ไม่ต้องเกิดผู้ที่ท่านชะล้างจนหมดแล้วท่านไม่ต้องมาเกิด ท, ท่านไม่ต้องมาแ บ, บกวามทุกข์เหมือนพวกเรา เพราะฉะนั้นโลกนี้คือโลกของกองทุกดูลแลกองทุกหนึ่งกองสองกองสามกองแต่ละกองแต่ละกองนี้คือกองทุกนะกองทุกก็คือผลผลจากไอสิ่งที่มันชั่วร้ายอยู่ในใจของเรานั่นแหละวิเลตปัญหาอาสวะนะรวมแล้วคือความอยากความยิ่นรนความเทียงเที่ยงเทียงเที่ยงอยู่ข้างในทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องของมันยิ่นรนมัน น, นรนพาผิด การดิ้นรนของพระพุติจ้าดิ้นรนเพื่อพาถูการดิ้นรนของสิ่งเหล่านี้ดิ้นรนเพื่อก่อปืนก่อไฟแต่พระกุติย้าท่านดิ้นรนเพื่อเอาน้ํามาดับไฟดับไฟเีื่ดับไฟกองนี้ให้หมอดไปจากหัวใจพระองชะล้างให้เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวชักออกได้หมดเอาวิชาเอาความรู้ที่พระองค์ได้บรรลุมานั่นมาบอกมาสอนพวกเราพระ อคชาสาวกพระอริยะสาวกอาศีติมหาสาวกรวมมาจน ถ, ถึงปัจจุบันเอาหลักคำสอนของพระองค์มาชักมาล้างวิธีการชักไปล้างไปขัดไปเ ก, กลาวไปชะล้างจิที่ให้เกิดความทุกขในหัวใจบางคนเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยจริงๆชะล้างเอาเป็นเอาตายใส่เท่าหมดจบโดยชื่นเชิญตามหลังท่านไปได้มันเป็นอย่างนี้ พราะฉะนั้นเราทำํำไมเราจะปรับความสมดุลได้การให้ปัญญาเนี่ยถูกต้องปัญญาเนี่ยตั้งแต่พื้นๆไปจนถึงสูงสุดจนถึงสูงสุดเราสามารถให้ปัญญาได้แต่พระพุทธเจ้าพูดท่านสามารถให้ปัญญาที่สูงสุดละเอียดสุดได้ปัญญาละเอียดสุดสามารถส่องเห็นไอตัวที่ร้ายกาดอยู่ในหัวใจของเราได้แล้วก็สามารถเอาตะปะธรรมไปแผลเผาจน หล่อมันละลายหายหมดไปจากหัวใจพระไทยของพระองค์เนี่ยโล่งหมดปัญหาสราพพะทุกองทุกที่เคยมีกองอยู่หายหมดท่านไปเรียนท่านไปเรียนที่อุทุกราดาบุตรลาระดาบทจบรูปปสมมาบาาัติอรมปสมมาบาัติเนี่ยอาจารย์บอกว่าจบแล้วเธอจบแล้วแต่กองทุกยังเต็มในพระไทยของพระองค์เฮ้ยไม่ใช่ทําไมกองทุกยังเต็มหนุนทุกวิตกทุกขังวนทุกน้อยใจทุก ห่วงใยทุกไอตราลสรพัดเกิดอยู่ในหัวใจทุกจากการยึดทุกจากการถือสรพัดการยึดการถือสรพัดยังมีอยู่ยังละไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงออกมาบำเพ็ญโดยส่วนของพระองค์โดยเหตุที่บุญญาบา ร, รมีพอสัมมาสัมพุทธะจึงเกิดขึ้นมีขึ้นเห็นไมในปัจจิมยามพระองค์ได้บรรลุอาสวัคยายาน เพราะพระองค์เอาปัญญาของพระองค์ไปชะไปล้างไปแผ่ไปเผาสิ่งเหล่านี้จนล้อมละลายหายไปหมด mm. เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียว mm. ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้ว mm. นั่นเรียกเะไเรียกว่าประมังทุขังประมังทุกขงังทีง mm. ท่พระพุทธเจ้าสามารถชะล้างได้ mm. พวกเราก็มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉัน mm. อย่ากร่างกายของเรา ร่างกายของเราที่มันเจ็บไข้ใดป่วยเพราะมันขาดความสมดุลถูกต้องแล้วที่ว่าปรับความสมดุลให้เกิดปัญญาปรับความสมดุลทําไมเราจะปรับความสมดุลสมดุลได้คือทุกอย่าง ม, มันมีความพอดีอยู่ในตัวของมันถ้าเกินความพอดีแล้วก็ไม่ได้แบบอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างเราเราร้อนพอดีเราก็อยู่ได้เย็นพอดีเราก็อยู่ได้หนาวพอดีเราก็อยู่ได้ลมหายใจพอดีดีพอดีเราก็อยู่ได้ ร่างกายเราปรับความสมดุลได้ปรับธาตุดินธาต้น้ําธาตุลมธาตุไฟปรับให้เกิดความสมดุลได้แต่ถ้าขาดความสมดุลทีไรเมื่อไหร่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทันที<ม>เห็นไหมไม่เชื่อลองไปตากแดดเปรี้ยงหนงแูแล้วเข้ามาในที่ร่มในห้องแอร์ลองดูนะจะมาเคยเจอแล้วแหละปีที่แล้วนี่เองไปดูไปดูนานไปเอาหนูไปดูเครื่องปูน ที่จะไปดูดส่งที่เจดีลพบุรีอ่ะา ล, ลังทําอยู่เนี่ยเขาจอดอยู่กลางสนามปูนแดดร้อนเรื่องเขาก็ซ่อมนู้นซ่อมนี้เพราะว่าของเก่าที่เขาเขาจอดเอาไว้เราจะเอาไปใช้ทีนี้แล้วกเราก็อยู่ในห้องแอร์อได้เยน็นสักพักหนาาึ่เอากมาดูออกมาดูสักพัหนึ่งร้อนเข้าไปเข้าไปห้องเงยน็เอนออกมาเฉยๆออกมาเข้าไปคืนนั้นเกือบตายร่างกายมันกรับร้าดไม่ทันเสื่อมไป โอ้โเกือบตายจริงนี่คือมาขาดความสมดุลพวกเราเจ็บไข้ในป่วยต้องเราขาดความสมดุลเดี๋ยวนี้โรคไตไข้เจ็บหยุดเบียนทาามากก็มาเด่งโรคตับโรคไตโรคปอดโรคสารพัดอยู่ๆเอาแล้วมาเร่งแล้วเอาแล้วมาเร็งแล้วโรคอะไรตัวอะไรสารพัดมากมายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เข้าไปเพื่อไปส่งเสริมดินน้ำลมไฟไม่รู้ว่าอะไรตัวอะไรเน่ยเสริมเข้าไปโฟโมรีนก็มี พอเมื่อรีใส่น้ำแข็งก็นี้พารามื่อรีใส่ปลาใส่เนื้อใส่ผักอะไรี้เขาว่านะเราไม่เคยเห็นหรอกแต่เราได้ยินเขาว่าแล้วพวกพ่อค้านี่ยเขาทำจริงอ่ะแต่ก็ผลไม้ต่างๆยาทุกอย่างสารพัดสิ่งเหล่านี้มาขาดความสมดุลทําให้ร่างกายเราเจ็บขึนน้ น, นในป่วยยิ่งกิเลสหัวใจของเราแล้วน่ะมันยิ่งสร้างความเห็นแก่ตัวมากมาย ที่จะทำให้เกิดความสมดุลตามหลักธรรมชาติมองทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักธรรมชาติมันไม่อยากให้มองมันมองเอาแต่ตามใจเขามันต้องถูกใจต้องถูกใจต้องตามใจต้องถูกใจต้องถูกใจไม่ถูกใจไม่เอามันไปเกณฑ์ไว้หมดเชนอยากต้องแก่แต่ไม่อยากแก่ต้องเจ็บไม่อยากให้เจ็บต้องตายกาลังใกล้จะตายไม่อยากให้ตายไม่ยอมให้ตายชิรันคอยไหมฟังไมไม่มีฟังหรอก นี่แหละสิ่งที่ตามมาคือกองทุกกองทุกจากการที่เรามาดัดแปลงหมดทุกอย่างเป็นประจําใจหวังตัวเองคือกองทุกนี่เราพูดเพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอานะส ห, า ส, หาสาสต<ห>ศาสต<า>ร์ศาสตร์วิทยาคารหลายๆวิชามารวมกันเป็นศาสตร์เพื่อสร้างให้เกิดปัญญาสร้างเกิดความสมดุลเพื่อขอให้เกิดความเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะเนี่ยต้องบุญญาบารมีนะ ปัญญาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีซึ่งไม่ได้นะเมตธรรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบิดฐานสิ่งวนนี้เราสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นอัจฉริยะบุญเท่า น, นั้นที่จะส่งเราให้เป็นอัจฉริยะได้แต่ถ้าหากความอัจฉริยะโดยบุญมันพร้อมเนี่ยมันก็มาได้รูปร่างที่สมประกอบเป็นอัจฉริยะได้เช่นเดียวกันมันสมองก็จะรอรับได้ คุณสมบัติก็รองรับได้ความมีอคติ ญ, ญามีอะไรต่ออะไรมันก็สามารถรองรับได้ในจิจดวงนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระพุธทธเจ้าจึงมีสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเราก็สามารถทําได้เป็นได้ด้วยเหตุที่เรามีบุญเพียงพอเราก็สามารถมีได้เป็นได้เพราะปัญญามันมีหลายขั้นหลายระดับขั้นปัญญาขั้นพื้นๆธรรมดาเราสามารถจะทําให้เราเป็นอัคริยะได้เด็อัคคีระของพระพุทธเจ้านั้น่ะ เป็นเองเพราสร้างมาสัมสมโอรมมาเพียงพอแล้วถ้าเป็นประเภทต้นไม้กับน้ํำแหลมเมฆไม่ต้องมีใครเป็นนั่งเหลาเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวนี้ก็เรามาเสียเวลากับการ น, นั่งเหลาให้เกิดความเป็นอักษรพิธีนี่เองมีคุณแม่คุณพ่อและลูกหลานในวงตระกูลมาช่วยกันปลูกสร้างปัญญาตรงนี้ให้เกิดเป็นบุญญาบารมีเป็นปัญญาบารมีทําให้คนมืดหนาะ ตาบอดหูนหนวกตาบอร์ดคนมึดมึดทึบมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ลูกฝังตัวเองมีให้มีปัญญาเพื่อเอาปัญญานี่มาต่อสู้ในธรรมะอาชีพของเรา แ, แล้วก็ไม่ลืมที่จะฝูกฝังเกี่ยวกับทุก่อศาสนาให็นไหมมีการมีมลครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนตรามาหาดใหญ่ทั้งทีเราก็ไป่เสียเปลี่ยบมกันนะในมัเจอร์นพระพุทธมนต์ในโรงเรียนที่ใหญ่ๆนักเรียนสอง 2, พั น, น, น, ก, น 2, กว่าคนไักเรียนสองพันกว่าคนอันะีเราพูดเสริมความรู้ความเข้าใจชนี้คอสมคอจะให้พอนะตั้งใจที่ส่วนบุญไปให้กิจการโรงเรียนเอกชนของเรามเจริญงอกงามเพื่อผลิกคนดี้ยงกับประเทศชาติของเรา